นองตัดสกักเกะดมาโตอรหัตัวสัมมาสัมพุทธัสสะอ่นนองน้อนมดูสสนเดิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์กายจากกิ็ดสัตโรชอบได้แล้วพวงองขอออนน้อมการวะแต่ปุถียนรูปโพวกคำเขียนที่เป็นโพดั่งสุขตูตไปดีแร้วป็ะทางที่เป็นสุธิสางฆหรือรสีมาดุีละ วจิมานาวากะอเจริญพรไม่ขาวไม่ฉี่ก บ, สบสกัสอุปัสกาผู้เจริญสติเจรินในธรรมทุกท่านย ก, ยกมือระด้วยก็ได้ยกมือส่งไปด้วรูปข้อถนัดในการยกมือสั่งยกเจริญสติไปฟังส ต, ติเทศฟังแ ต, ตฟงฟง่ฟังตัวรักคิดมันเทศอ่านะมันเทศที่จริงๆเรื่องดูที่ใจเลื่นเองเลยฟังพูดถึงที่ต้องไปแปลความหมายภาษาคําพูดอีก ไอ้ผู้ตาไม่รู้เรื่องเลยนะรู้เรื่องก็รู้รู้หมดไม่รู้เรื่องจะจบกัปุตติเลยรู้ไม่รู้เรื่องแลวพ่อควาเขียนผูกชัดแจ๋วต้องเป่งเหนี่ยงง่วงก็รู้ขี้เกียจก็รู้เฮือก็รู้อะไรก็รู้โกรธก็รู้โลก็รู้หลงก็รู้ไอ้ตัวรู้จะแจ้งเดนใจดับมันจะไปตัดตัวนั้นเองไปทำรายตัวนั้นแค่กระเด็นหายไปนั้นเราต้ฝึกตัวรู้ให้ชำนาญเอาไว้รู้ที่กายพื่นไหวใจ ไอตัววิ้ัยน่ะมันจะยอนมาดูตัวมันเองไม่ต้องห่วงแล้วนะมันจะย้อนมาดูตัวมันเองเพราะกายเป็นกระจกย้อนมาดูตัวเองเนี่ยทีนี้ในขณะที่เรารู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกซื่อซืรู้สึกชี้ชี้รู้สึกตุ่มรู้สึกเปล่าเปล่ารู้สึกปกติน่ะความรู้สึกนึ้นไม่มีตัวโลตัวโกตัวหลมตัวหลาตัวรู้ตัวยิ่งตัวกลัวตัวอิจฉาพฏิบาทตัวเพ่งโทษ จะผิดผู้ใไม่มีเสียงมันแหกเนี่ยบอกว่าด้พูดป็นนานไม่มีเลยตัหลงก็ไม่มีหลงเป็นผู้หญิงผู้ชายคนดื่มคนสาวคนเท่าคนแก่หลงเป็นสักบุคคลก็ไม่มีมันเป็นตัวรู้ที่บริสุทธิ์อยู่เนี่ยให้เราสังเ ก, กตกันนี้เห็นไหมตัวรูม้มัไม่หลงเป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรหรือพ่อคุเสียงกระหูไม่เป็นอะไ ร, ก, ก, ไะไรก็เป็นอยู่เป็นตัวรู้ที่บริสุทธิ์คือเป็นธรรมะท่านรู้ที่บริสุทธิ์อยู่ท่านรู้ที่มีความคิด ฟุตแต่เจอปุ่ไม่มีกรดูกเจอปุ่นจะไม่มีปัญหาเจอปุ่นไม่มีปัญหาเจอปุ่นไม่มีอุปทานเจอปุ่นตัวรู้ซื่อเลยนะฝึกไว้พอยกมือขึ้นรู้สึกมือหยุดรู้สึกก้าวเดินรู้สึกทนี่จังอื่นดูหน่ะกับทิตาอาปากรู้สึกอะไรกระแสอันนั้นหวีผมรู้สึกแปรงฟันรู้สึกซักเสื้อผารู้สึกติดผารู้สึกหล้างจากรู้สึกเนี่ยทำอะไรก็รู้สึกเนี่ต่รู้สึกสิบที่หวะกว่า สิบสี่จังหวะมีแค่สองจังหวะแค่นั้นเองจังหวะเคลื่อนไหวการจังหวะหยุดกันจังหวะหยุดก็รู้จังหวะเคลื่อนไหวก็รู้ร้อยสี่สิจังหวะพันสี่ร้อจังหวะมันก็มีแค่สองจังหวะแค่นั้นเองจังหวะหยุดก็จะว่าเคลื่อนไหวแค่นั้นเองเข้าใจไหมทีนี้ในจังหวะเคลื่อนไหวเนี่ยทีนี้ใจกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกกายส่วนไหนก็แล้วแต่ใจรู้สึกรู้สึกซื่อๆรู้สึกเฉยๆรู้สึกตรงๆรู้สึกเปล่าๆรู้สึกปกติเนี่ย ท่านจะคนมาให้จบประเด็เก้าประโยจบปริญญาตีะนะแล้วก็บจบอ่าพมพุธทธิครูอัจฉริยะวิยาศึกษาสอบได้ไดอาาัจฉริยะวิทยการมาสักสิบปีท่านจะยกมือที่ห้องส้วม น, นั่งคอหันยกายเขาออสอนพุตโตสอนตุ้มหน้องตามตำรามาผมไม่ได้สอนจิตใจเลยจิตใจรู้สึกหรือไม่เอาพูดตรงๆเลยท่านบอกว่าความรู้สึกตัวเป็นตัวขั้นต้นแหงการดับพก ท่าการแห่งความดับทุกข์แลวสุดท้ายแห่งความดับทุกข์คือว่าเอาชีวิตไปดืมพันเถอะมั้เอาชีวิตไปดิ่มพั น, 1, น, เ, เ, น 1, เลยวนะ่าดับทุกข์ได้ดับกิเลสดับความรูส้สแงได้จริงๆรนะวังท่นานเป็นลูกศิษลวงพ่อเขียนอยู่หนึ่งภาษาหลางพ่อพขยนก็เป็นพ่อครอูเป็นอุปชัยยะความรู้กปประจบกปศีแลวงพ่ครก็ไม่สัตว์เลยนีจนมเอกเนี่เอานักก่กระจบไ ป, ประเดียวตาประโยคบอกตัวพระเลยเนี่ยจปปะเป็นเตปอยู่นอกมสิปียังมาเป็นลูกศิษย์ลวพ่อเขียนเลยนะ คือว่าคนที่มีสติอัดกิเลสได้ละทุกได้เนี่ยไปสู่ความสงบย็ได้เนี่ยนี่ว่าจะเป็นเป็นผูยอดที่สุดในโลกเนี่ยคนดีที่สุดในโลกก็คือคนที่มีจิตใจมีสติมีความกลัวดับทุกได้ใจว่างจากทุกนี่แหละคนยอดคนมนุษย์ยอดมนุษย์ยอดคนยอดเทวดายอดเอ็นยอดคนนี่แหละมาโดยตรงที่คนที่เส้นทุกนี่สิ้นปัญหาที่นกิเลนี่เองเพะนั้นหน้าที่ของคนคนเกิดมา หัวสูงปัญญาสูงความคิดสูงมันมันสูงกว่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายนะปากหัวมันจําเวลากินหญ้ากิ่อรหัวมันจดีเนแต่แม้ก้นมันสูงอเวลามันจะขี้จะเยี่ยวมันจะชูหางขึ้นไปนะไอ้ของเหม๋งของนอกมันสูงอยู่แล้วของดีมันสูงย่ไอ้ของหัวมันต่ำอยี่มนุษย์เน่หัวสีฟ้าหรือสูงลความคิดสูงปัญญาสูงก็เพรมันสูงกว่ากิเลสเลยสูงกว่าความโกรธความกความหลงสูงกว่าทุกเร่ง สมจนชนะเงินนะนี่แหละมนุษยเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อรู้ทุกได้ดับทุกแล้วก็ทําหน้าที่การงานไม่ทุกเยช่วยสอนผไม่ทุกแล้วเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่ทุกนี่มนุษย์่คือสร้างมาอย่างนี้ธรรมชาติสร้างมานะครับทุกสิ่งทุกอ ย, อย่างเหมือนกันหมดโยนหนอยู่ข้างหน้าผ้านหนอยู่ข้างหลังจะเป็นพลเรืันหรเป็นปุถุชนคนติดคุอะไรก็แล้วแต่มีลักษณะ3อย่างเท่ากันเปรีบเลยร้อยละเปอร์เซ็นเลยอะไรธรรมะอนิจจันร์ กายใจเป็นอนิจจ์เป็นทุกขังเป็นอนัตตาที่พระอาจารย์โนธอะไรสิพาส่วนเมื่อกี้นะสัพเพสัมมาอนัตตาทั้งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์โมคุลตัวตนเราเขาเป็นอนัตตาหมดแม้พระนิพพานก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอนสตนะน่ะทีนี้ร่างกายรูปก็เคลส่อนไหมาทุกวันทุกวันเจ๊งมาทุกวันรูปังอนิจจ์รูปังอนัตตารูปไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน เวทนาอนิจจเวิทยาอนัตตาเวทนาคือสุดทุกข์ไม่สุดไม่ทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนสัญญาความจําเดี๋ยวหลงเดิมก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนสังขารความนึกคิดปรุงแต่งก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณธาตุรู้ก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นอนิจจังทุกข์ของอนัตตาเหมือนกันใช่ไหมเท่ากับเทียบร้อยละเ็จะรู้หรือไม่รู้ก็เท่ากันเข้าใจไหมไม่เท่ากันหมดเลยทีนี้ต่คนไม่สติปัญญาเขาปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์ คนจิคุกยิงเขาฆ่าเขากระดับทุเหมือนกันแต่มันดับผิดวิธีดับทุกข์ของพระเจ้าก็มีสติเอาไปฆ่ากิเลสฆ่าความโลภความอุดความหลงเอาไปละทัญหาอุปชาฆ่าที่อารมณ์ในใจนี่เข้าใจไหมแต่คนอื่นดับทุกข์จนขึ้นมาพ้นเขาละเขานั่นก็ดับทุกข์เขาเปนจนถูกไหมนี่โกรธโมโหคือเขาก็ดับทุกข์ฆ่าเขาเลยมันทําผิดวิธีพรวะนั้นก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันแต่ปฏิบัติอาธรรมปฏิบัติบาปธรรม ปฏิบัติทำแบบโง่ๆนะแบบล้มๆเนยปฏิบัติเหมือนกันแต่ปฏิบัติทำฝ่ายผิดปฏิบัติฝ่ายอาธรรมแต่พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี้ปฏิบัติฝ่ายกุศลนิธรรมฝ่ายสติฝ่ายปัญญาฝ่ายฝ่ายทนทุกันเลยฝ่ายก็ฝ่ายดับพุกฝ่ายทนทุกันเลยที่เราปฏิบัติธรรมหนึ่งสวันเนี้ยเราทำหน้าที่ของมันแล้ถูกต้องแล้วะรู้ทุกแล้วก็ดับทุกทําหน้าที่การงานด้วยความไม่ทุกแต่แก่เก็บตายไม่ทุกแล้วก็สอนผู้อื่นให้ทนทุกโดยที่เราไม่ทุกด้วย หน้าที่ของรถหาจะรู้จากหน้าที่หลวงพ่อคำเสงมาหน้าที่อะไรหน้าที่เจริญสิก็เจริติเพื่ออะไรก็เพื่อดับฟุ้งหลวงพ่อคง ก, ก, ก็ต้องพูดชั ด, ดนะพูดชัดจะแต้งแดงแจ้เข้าใจง่ายเลยนะเข้าใจง่รู้ทั้หมดกันเนี้ยรถมีหน้าที่ของเราก็อฝึกตัวรู้คงแค่งวงไวกันนันเองฝึกตัวรู้เนี่ยให้รู้อะไรก็รู้ขี้เกียจก็รู้โอหก็รู้ถุนเทียวก็รู้ไอ้ตัวเขาไปกลับมันจะดับตัวนั่นเองตัวโลภตัวกรธตัว้องตัวรักตัวชังตัวยินดีตัวยินเลยเนี่ยหลวงพ่อไปฟังธรรมะจาก อ่าหลวงพ่อเทียนที่ที่ที่ศูนย์ที่มณฑิทิพย์วิทย์เนี่ยฟังอยู่สองเดือนฟังคำพ่อหลวงพ่อเทียนตงต้งพ่อเทียนพูดแหัวเราะดีใจก็ทุกข์ร้องไห้โกรธก็ทุกข์ทุกทั้งนั่นหรอทีนี้มันมันมันมาตรงกับอะไรเบียัชราศรีติสุนีฟังทพุทเจ้าว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เทนั้นไปนอจากทุกขไม่มีรเกิดป็นรดับฟังแค่เนี่ยสเร็จอรหันต์เลยผู้หญิง สัมเด็จอรหันทุกสิ่งเลยก็สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมีหน้าที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปไเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแบบพระอัญญาคุณธรรมญาเห็นมั้ยอาจารย์รญญกิติสมุทญ า, ทาธรรมเนืองสัตว์ตังๆนี่โลตัณมติสิ่งใดสิ่งหนึง่งมีความเกิดขึ้นไปธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมดับไปธรรมดาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับเ น, นี่ยอะไรเกิดกระลอกเกิดขึ้นก็ดับไปร้องไห้เกิดขึ้นก็ดับไปดีใจเสียใจเกิดขึ้นตั้งอยู่่้วไไปาดดขนัชะ อาการนั้นเขาียว่าอาการทุบแตกหัวเราะก็เกิดขึ้นต้อยเกไปแล้วห้ก็เกิดขึ้นต้องเกิดไปก็เท่ากันไปถูกเท่ากันดีใจเสียใจก็เกิดขึ้นั้งเกิดไปมันเท่ากันตรงเล้นางกระเด็ดนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาเสร็เส็จแล้วก็ไม่ให้นางกระเสต่เนี่ไม่ให้อาการดีใจอาการเสียใจมันเกิดขึ้นในใจเลยเห็นอะไรก็เฉยดีที่สุดสวยที่สุดถึงกับใจเฉยเฉยไปไม่ให้ดีใจเกิดขึ้นไม่ให้ความรักเกิดขึ้นนะไม่ความร่วเกิดขึ้นเห็นอะไรชั่วที่สุดชั่วที่สุดเกิดขึ้นก็ไม่เสียใจ ไม่ให้ความเสียใจเกิดขึ้นไม่ใหความไม่ให้ความเสียใจไม่เกิดขึ้นในใจความไม่พอใจไม่เกิดขึ้นในใจความดินดายไม่เกิดขึ้นในใจไม่ได้อันนี้เขาเรกว่าชาติเสิ้นแล้วชาติส้นแล้เนี่ยชาติในที่นี้มาได้ีว่าไม่โฉดสายแล้วไม่ไปเกิดใหม่ไม่เที่างงั้นหมายถึงว่าชาติที่โรคชาติที่โกงชาติที่หลงชาติที่อิจฉาชาติที่ดูหมิ่นดินทรายถ้ารก่วอะไรกันมันไม่เกิดขึ้นในใจชาติดีใจชาติเสียใจชาติรักชาติท่ามันไม่เกิดขึ้ เขาจะเกิดขึ้นในใจชาติส้นแล้วพุทเจ้ากับชาติสิ้นแล้วเมื่ออายุ45ปี35ปีหรือยเพศเสดเราจะต้อง45ปีตายแล้วชาติส <ningún> ้นแล้วนยเจะดนสองคนนี้ไม่เห็นตายที่ไหนเขาจะเหยไมอชาติของเรชาติกี่เกําลังล่ะชาติกี่เชาติโรคชาติกลัวชาติงชาติตันหาชาติอุบาทชาติภพชาติะชาติไอตัวเนี้ยไม่เกิดขึ้นในใจอีกแล้วเมืนมันตายเสร็จเช้นไปแล้วเนี่ยตายเสร็จเชนม่เกิดอแต่พวกเรานี่ ไม no ulations, bien, ere, ่ยังไม่จเกิดอูเปลี่ยนายใจเกิดูเป็น่ายใเกิดจนความยนดีเปลี่ยน่ายใเกิดจนไความย็นร้เหมี่ยนบ่ายใเกิดจนไดความโบภความกดความหยเนี่ยแต่ว่าเราทำอย่างนี้เราได้พัติพาณมั่แกงโมเงินเต็มแต่เราได้ช็มแกงหนึ่งช้อนดูสักผีเขาถึนเลยเว่าในขณะใจจิตราปกติรู้สึกซึ้งรู้สึกเฉยยต่อสิ่งที่มันกระทบตาหูจมูกนิ้นการใจของเราอะกระทบกตมันเฉยอยู่รูไรห็จจะกระจันรลอเนี่ยแล้วไม่จีว่ามันดีมันชั่วอะไใจมันเฉยย นะไม่ลำคาญหรุ้นหวยไม่มี น, น, นี่ น, นั่นแหละใจเราได้กระทบผลิภาณ น, น์แคือความปกติเองพวกเชนตัดชัดร้อยปรปกติคือริภานถ้าแอบหน่อมอผิดปกติก็ดีใจเสยียใจรักช้งเนี่ยเนี่ยเหือมอะไรสั่งเนี่ยนี่แอบนอมอเน่เป็นจิตบ้าจิตติลกสรแลาชจิตปกติมันก็ใฉ้อยู่อ่าได้ยินเห็นสิ่งที่สวยที่ดีที่สุดเลยก็เฉยเห็นสิ่งที่ชั่วร้ายทุกสุดก็เฉยปกติไปยินไปรักไปช้ไปยิน้ผิดปกติล นบุกเชียนตัดตรงเป้งเลยไงสอนตรงกับนางพระเชิญเสด็จดุริศนีฟังธรรมแล้วก็ตั่นเลยทุกตอนั้่เกิดขึ้นคือตอนนั้นตั้งอยู่ถไปบุกเทียนกันว่าเลาะก็ทุกเนือหน่วยดีใจก็ทุกเนอน่พอใจก็ทุกเนไม่พอใจก็ทุกนื้ร่วมโอ้ไปฟังมาตรงเป๊ะเลยตรงกับที่คือนางวิลาษนีเสด็ฟังธรรมจากพระเจ้าสแต่แล้วก็ฟังธรรมข้อที่พระพยะชาลุจารีเนี่ยฟังธรรมนย เป็คนเป็นรวยรวยที่สุดเนี่ยค้าขาสังเรือเรือจะล่มเรือจะล่มขึ้นมาโฟกในเรือทำท่าจะตายกอดคอกันกลัวตายอย่างเดียวอ่าพระพายญาติเนี่ยเกิดสมาชิมสินเงินสินห้าหรือสินแปดไอไม่ชางสมาชิกสินตัวเองแล้วกับเอาน้ํามันมาทาตัวน้ำมันเครื่องน้ำมันเ้วเลยอแล้วก็มากระดานนนึงปีงขึ้นไปสักกระโดดเรือมันเอ็นลงเอ็นลงก็ปีนขึ้นง่ายง่พอเรือล่มปับก็ทุ่มตัวออกไปไอ้ความแรงของน้ําที่มัน จะดูดให้จมมันไม่มันพ้นไปนะแต่คนอยู่ในเรือตายเรียบหมดเลยเพราแรงดูของน้นเดืจลงไปนะพอว่ายข้ามฝั่งมาขึ้นกเตเสื้อผ้านุดายหมดเลยขึ้นฝั่งได้ท่านมองว่าโอ้นี่พระอรหันเหมือนไม่มีกิเลสเลยไม่มีอริสิิ์อเลยพระอรหันเหมือนมดกิเลเลยพยายามครับมันเป็นยังไงพระอรหันเราต้องยอมห้จับพระงแต่งตัวแต่งตั้งให้เป็นอรหันทังหมดถ้ามงั้นเราจะไม่ได้กินข้าวเขาจะไม่กราบเราเขากราบเอาข้าวมาให้กินเนือ อาจารย์ก็าไปนี้ก็ตัวเองมันเป็นยังไงครับเขาบอกมีเทมปดามาบอกเทมปดามาบอกว่าพยะเธอมันไม่ใช่อันหันหรอกชาติอว่าแต่ตั้งให้เป็นตระหงานอกเลยนะพระอันหันเกิดข้ได้กุมจะจะเหมือนพระภายยะนี่ก็เป็นคนซื้อแัตตัวเองว่กตัวเองเป็นพระอัหนไม่ได้เป็น่ยนไ่เป็นยังไงก็หาเสร็จผ้าถ้าคีรีนุ่งใบไมมนรุ่งเสร็จแล้วก็ วิ่งบ้างเดยบ้างขอข้าวก็กินบ้า ง, งเลยครับเจคนก็ขอคนช่วนนี้ก็กินผลไมาดอกไายเบ่งมามาเจอพระเจ้ากำลังบิณฑบาตอยู่กับพาาระอนุนผ้ไตามหลังหลนนะายองค์เลยพระพอัสสะพวกพระหลานตามหลังเนี่ยไปพระอรุนพาาระาอนุนจเป็นแค่สมัยเดียวกันอย่งมาจเป็นพระหานนะตามมาขอฟังธรรมขอฟังธรรมขอฟังสียสามครั้งครั้ ง, 3, ง, 3, งที่สี่ที่ผมจะตายอยอยยกมพระเจ้ากันหรไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายแน่ตายแน่อดข้าวอดปลาอมะด้วยก่อนไปย่ะ ตายเห็นรูกสวยไม่สวยส์ว่าเห็นเห็นเฉยเครับเห็นซื่อซื่อคตาเห็นรูปหูฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงเนี่ยซื่อเฉยเฉยที่เมื่อสี่ประชุมจมูกดมกลิ่นเห็นน้องก็เฉยเฉยจมูกลิ้นลิ้นดอร่อยแม่ลูกก็เฉยเฉยการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่ยืนหยาดก็ได้านมึนโมยในขนาดไหนก็เฉยใจด้วยอารมณ์ดีอารมณ์ร้าอารมณ์สกบรมณ์พลุคิดดีคิดชั่วแล้วก็เฉยอย่างนี้เมื่อนั้นจะไม่มีตัวเรือไม่มีตัวตนไม่มีอัตาอยู่แบบนี้ ไม่มีตัวตนอยู่โลกหน้าไม่มีตัวตนอยู่โลกที่สองทั้งโลกทสองนั่นแหละคือที่สุดถึงทรกู์เลเขาพายยากฟังแค่เนี่ยสำเร็จเอาหักฐาเลยพวกอะไรอ๋จนตรท่งแล้วชีวิตก็รอตายมาแล้วไม่ห่วงอะไรแล้วมัน่านกว่ารึงเลมันวางได้หมดเลยเนี่ยมันไม่ยึดไม่ถืออะไรเนี่ยจนก็จนรวยก็รวยจนกรทั่ว่าชีวิตก็รอดตายมาแล้วเนี่ยัวนี้กันหรือแต่ตัวเ่อจนอย่างเงี้ยครับอ๋มันเป็นเคลมเองเลยไปพัฒนาขันมันป็ชิตจะบางใจได้ไม่ติดลีด บางชีวิตได้วางตัวตนด้วยปล่อยทิ้งตัวเองเงมันอยู่ตรงนี้เองไม่ยึดถืออะไรเองนะก็ตัดรั้งเลยพอจิตมันวางมาก่อนแล้วไปเห็นผ่านเห็นทุกขนาดหนักก็วางไว้ใหญ่เทีนี้พอเราตัดตรนี้ก็โอ้โหไปรู้สภาพว่าใจของตัวเองเลยอันนี้กบขอบวชพอเขาบวชเสร็จแล้วไปเธอไปหาบาดหาผ้ามาพระพิฆาตก็เข้าประชาประชาก็ไปหาผ้าเพชรเกลวคนอินเดียไปเขาตายคนรวยเขาจะเอาผ้าห่อพันศพห้าร้อยชั้นอย่างแล้วก็ดึงดึงดึงอ ก็งมันอามสีแกงกระนดยที่เราตัดก ja ันเนี่ยเสร็จแล้วก็ไม่วัวไม่ร้อนเดินไปไม่คิดว่าจะไปแก่งโลกมันนันก็วิ่งชนตึ้งเงียึอายะตายเลยนอนเลยพระพิตบาลกลับมาพระเจ้าบอกว่าพระิะเป็นพระทหารเดยวะมี่คนีทำเท้ากระเซือได้เหมือนพระก็เอาหุ่นอุ้มบาทไว้อ็นหนนก็จับศอกกันหามมาเอาเผาที่กรุงรชทคือวัพระอะไรวัดจุนวัดพระชวันัดอะไรไปม่ได้ วัดเลนะไปอินเดียมาแล้วสี่สเนไปเผาแล้วเอากระดูกอัฐิไว้ที่กำแพงวัดกรแพงวัดด้วยรูเจดียกพงไหนกระพีงวัดน่ะคุณสร้างเจดีย์ไปง่วงไม่เพราะกระดูกพระหลันเนี่ยสมควรจะสร้างเจดีย์สร้กะพักกุจไว้กระดูกพระพุทธเจ้ากระดูกพระปัจเจพระเจ้ากระดูกพระหันแลวกระดูกพระจักรพรรดิน่ะคุณจะสร้างเจดีย์มันจุไว้ไหมพระจักรพรรดิก็ทรงทำนะพระจักรพรรดิก็ทรงทำทีนี้ลุงปูลงปู่เขียนกับ ทำเจเดีอนะใครจะไม่ตัวกระดู ก, ก, กเราพ่อเอาเกสาของพ่อกลมเกสาท่านอาจารย์รงสงศิล์เกสาหลวงพ่อไปฝังไปแล้วลึกไปขึ้นนะฝังที่นี่ฝังก็ทาําโดยนตรงกลมเนะเอาเขาเอาดอกไม้บูช า, เ, าเราเอาขึ้นผมบนหัวบูชาพระธรรมประจักษ์เรือบูชาพระพุธทธประธรรมประเสริฐเรือเนี่ยนะเอาบนหัวเนี่ยตั้งใจว่าของสมที่สุดของดีที่สุ ด, อสดนะเอา้โหสุดเลยนะบูชา ตั้งใจบูเชาว่าปฏิบัติธรรมสายหลวงประเทียนนี่จนตายวัดไหนก็แล้วแต่หลวพ่อไอ้เอาชีวิตนี้ไปมอบให้ศีนลนครินจะถอนคืนวัดไหนที่มีเมรนแล้วสายหลวงปเทียนน่ะจะขอตายวัดนี้เองแล้วก็ให้ญาติดูช่วยัเผาอันนี้ก็ขอร้องอาจารย์สรงสินว่าช่วยเผาหลงพ่อเถอะนะญาติไม่มีไม่เคยแต่งงานไม่เคยมาเป็นคนสดมาจังกต้องเนี่ยาตเจ้าลูกเจ้าหลานเด่นไม่มีก็มีจะตคนที่เลยอยากติดกันน้อไม่เคยไปหาสักห้าสิบปีแล้ว ไม่รู้ดูเหตุตายที่ไหนมาบุเนก็เลยเอาญาติธรรมนี่แหละญาติธรรมที่อยูที่เป็นพระเหมือนคนโยมเหมือนตายแล้วก็ช่วยเผาเนี่ยแล้วเอาใบไอ้บับที่หมดสุกแล้วเอาคืนขอคืนึ่ให้ยมเผาทหมดเรื่มไปหมดเรื่มหมดาวไปจะตั้งใจตายในการเจริญสติเหมือนกันนะตั้งใจตายพอนนี้ก็ใกล้จะตายนล้วไปรักษาตัวมากินยาผิดอาจารย์สุ ป, ปันให้ยาขวดหนึ่งราคาพกบาทกินบัมพิทเทีย ถ่าย29ครั้งเออถ่าย29ครั้งแล้วก็อาจาร์6ครั้งแต่ลงพาบาทเสียไปหมื่นกว่าบาทเสียหมื่นกว่าบาทเย่างนี้เขาเห็นพระเขาเลดแค่เขาเอาแค่ 9,600 บาทมีคนดูเสียแรกเครื่องหนึ่งลพ่อมนี้มีน 5,000 ก็เสียไปแค่นั้นเองแล้ว <Okay. S 1> ก็ปฏิบัติทรามั้นใจว่าจะไปเจริญสติจนตายหลวงพ่อเป็ น, นธนนาา ร, ร, าารรมุษหวหงานบวรอธิการกับพระอาจารย์พระอาจารย์มัซึ่งเป็นพระ เพินของหผวงปู่กุ้งเขียนเนีน่ยรุ่นเดียวกันเป็นสาสกัอนอายุเท่ากันปัญญาตา ย, ตายแล้วเนี่ยอยู่ตรงนั้นปานิกายสี่รัาแล้วก็ไปอยู่กับอาจารย์ตาไปจัดยัตติธรรมยุทธได้2ี28เายี่สปดปัาเซนีน้29บจะยางปี่เนี่ยนะท่านรวมข้ามันมิงกายด้วยกบเป็นส2ปบสจงป่านระเหลืองเลยเนี่ยจากนี้่านเหลืองเ น, นีนเนน่ีคนเป็นทพ่าพเป็นตรงไหนผมนก็เขียนพูดจะแจ้งแดงแจงเลยาจะจ อารมณ์ที่น่ากดกระทบไม่กดอารมณ์ที่น่าักกระทบไม่รักนะอารมณ์ที่หลงกระทบให้ไม่หลงม่โลภไม่กรไม่หลงแล้วก็ไม่บดเบนตัวอื่นให้เกิดความโรภความกดความหงไม่เดเบียนผนให้เกิดความทุกข์นั่นแหละเป็นพระเดือเป็นพระแล้วเป็นตัวเองหมดไม่ส่กับขึ้นกดหัวซื่อนุ่เหลืองนุงขาวงอะไระถ้าใจคนไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีความทกอยู่ในใจแล้วก็ไม่เบียดเบียนดินท้าบาไร้คนอื่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นนั่นแหละคนนี้จพระแเป็น กลายเป็นกลายไม่เป็นกะช่างนี่ก็พ่อกระดสั่งฟาสุมาห์นสเยพวกจะแจ๊งด้แยงมาฮะน่นนุ่ผ้าสีดาสีเหลืองสีเขียวแล้วก็เถียผมอะไรก็จงนะเหมือนกับผ้าคีรีขึ้นแบบผ้าคีรีแต่ถ้าใจโยมไม่โกรธไม่โกรธไม่หลงไม่ทุกข์ผ้าคีรีห่อทองคำมาเขรอะไทองคำก็หมายถึงพระนิพานความบริุทธอะไความบริสุทธิ์จริงถ้าโยมยังีโกรีโกรธขหลงขีอิจฉาขี้อะไรผ้าคีรีห่อขีหมา ไอาขีพพพ้หอกใช่ไหมพระนิรันดร์สีเหลืองเนี่ยทองคำถ้าพระใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงทองคํา่อทองคาถ้าพระยังโม้ยังเซ่ยังี้โลภขี้โกรธี้หลงเนี่ยี้โมโหฉุนเฉียวชี้โกงอยู่เนี่ยทองคำา่อขี้หมานะใจไม่ขี้หมาแต่กายทองคํามดเป็นที่รู้ว่าเสียงตัดจะแจ้งเดแจกลองฟ้องมาได้ถือตัวเองเลยฟังจากเทปจากซีดีที่เขียนเนี่ยไม่ได้ฟังเสียงคนอื่นเลยเขาเปิดให้ฟัง ที่สม so the re the like ุดดิจิตของพระเทียนเขาจะมาเปิดเทปกายหมดเขาจะเปิดตังพระเทียนให้ดีว่เปิดกาวันกลางคืนเราขอร้องหมดไรก็ได้ไปอยู่ที่น่อาจจะยอนกอาจะให้เปิดเท้าอยู่ที่นึ่งไป้วงพอไปอยู่ทีนี้หลวงพ่อบอกว่าจะขอมาเก็บอารมณเนี่ยหลวงปู่คาเขียนเขบอกอยู่ที่เนี่ยเราแก่เท่าแล้วหลวงพ่อโกงบุตรอยู่เนี่ยอาจารย์สงศักดิ์สรงศีลเขาบอกอยู่ที่เนี่ยแก่แล้วเนี่ยเขาจะให้หลวงพ่อไปอยู่วัดสันติธรรมวัดที่หน้าครมทหารพระคีเหล่ามายาจีกันต่กันอยวะเหนึ่งเยอะให้เราไปอยู่ได้ยังไงแล้วก็มีมือเนยรจะตาย ร้อนจะตายนะแล้วก็ไม่อยากได้หูเหาทั้ออกเล่นะให้ยมสมพงนี่ให้มูลงพออยู่เช่เนี่ยปกายหลวงพ่อก็จะอยู่เช่นเมือนกันโยมสมพงกลับปรรโลกกลับปรโลกกลับบโลกไม่มีใครอยู่เลยตามทึ้นไปนะปี น, นี้ให้ยสมพงในหพอ่นะพออยู่เช่นเนี่นะยเป่นปล่นไหนหลวงพ่อก็อยู่เช่นนี่ะพอตายกเปลนเงะเปลนที่เาศดแล้วยสบายถ้าพระจงเลียงฝาศด มันอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อจะไปอยู่เช่นหรล่ะมันไกลมันแก่มัเดินลำบากเดินงวัดส็จอาจัรข้ามันลบากมันไกลเกินไปจะไปน่นไหนตรงที่เขาขอผีเลยเอาเสตัวให้ดีกลางกรที่เนอนเลยอันนี้มันนะมันไม่มีที่มุมหลมหมุมกันฝนเอาเตนกลางนอนนอนโดยเนี่ยข้าวว่าลพ่อว่าอยากจะซื้อโรงแรมอ่ะนีโงแรมหนาวจะนอนไนโรงรมอ่ะดูนอนในสติมันเตือนตัวเองไงนะ มีปัจจัยจะตะจะสองหมื่นก่าบาทเนี่ยจะซื้อดวงมือถืออย่างนี้ต้องสายสายหาแล้วสูงเขียนเขาถ้าใจซื้อได้เปลาเนีซื้อรองนะซื้อดวงเราไปตายแล้วมาจังอ่ะก็้มใครแม่ต้องใครซื้อให้ซื้อตัวเองเนี่ยตังที่หรือแบบสวายซัปโปโรไปใครจะแต่สวายพระไปก็แล้วอที่หรือไปคิดตัวเองนะถ้าใครเดือดร้อนเนี่ย ไม่ไม่มีปัจจัยที่เราเราจะเป็นจะต้องใช้จริงๆหรอเออหลงพอจะให้ได้สักหมื่นบาทเดี๋ยวนี้เลยเขาจะเป็นดีจริงให้ได้เหรออ่าขอแได้เงินมาได้เงินมาให้ทุกเด็กนักเรียนทั้งหมดนะเรียนคนไหนยกมือดีเดินจนกลมดีพ่อพ่ออยู่ไหมแม่อยู่ถามถ้าพ่อตายแม่ตายให้ไปสองพันคนถ้าพ่อตายอยา่เดียวไอ้ันหนึ่งเน่ะถ้าแม่ตายอยเดียวไอ้พันเนียถ้าพ่อทั้งพ่อทั้งแม่ตายก็เอ้2พันน เคยให้ทุนการศึกษามาตัวเองกินฟรีอยู่ฟรีอะไรฟรีหมดแล้จะเอาไปทำอะไรเมื่เนี่ยสอนกบวชมันอะไรทีนี้พระองค์มันสอนมันสอนให้เด็กเอามือทงกระทุ้งอ้งมือทั้งผู้หญิงผู้ชายล้อมเช็ดเช๊ดเช็ดเผู้ที่เข้จหรอเจรติเอาศอกกระทุ้งที่มือเช็ดเช็ดเด็กก็ฮ่าเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับเอา เอาวัยเยาเพศผู้ชายไปชิ้มเอาวัเยเยเพศผู้หญิงเจ๊ดเจ๊ดค้องกันห้าห้าใจแล้วน้องพ่อสอนอพ่อแม่นะครับเป็นเป็นผู้เป็นพระพระหลานของลูกหอพุเจ้าคู้เผยหายาบพระพ่อแม่กาบพระทห า, าใครเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พระทหานลูกที่ดีมีครื่อกระสุนอยูพ่อแม่เลี้ยงมาเลี้ยเลี้ยงขันสอบทการงานแทนท่านทาลมุส่าห์ปุ่ประพฤติเป็นยยดีสิมควาเป็นสัญญติรับมรดกเมื่อท่านรวมรับไปแล้วทำบุญที่ทยข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสีเลี้ยขันอบ ท่านเลี้ยงมนมาี้เขต่อทำการงานแทนท่านดำรงวัสุกุลระพุทธุดีสมกตเป็นผู้รับมาดูสี่ข้อนี้ทำบนนี้เพ่าแม่ก่ใจมาทีนี้ไอ้ข้อที่ห้ากุศลาซอมมากุศลาซอมมีพระเงนไปซื้อบุูดีซื้อหมูซื้อเอาไปเก็บไว้เต็งเลยตันี้รื่อบริวามันเปน้ออืนี้บริวารฟังนจแล้วพระองค์มันด่านพ่อมันบอเอาอะไรมาสอนเด็กอ่พเจ้าข้สอนพรจ้าสจาสนรือว่าอสอนเอาไปสอนเด็กว่าั้น มันด่าหลวงพ่อจะออกเสียงหน่อยเลยที่มันสอนนั่เอามือเอาศอกทุ่มเทมือจิกจิกจ๊กถุกนัานว่าผู้เจ้าสอนอยู่ผูเจ้าสอนไม่ขอถานเฉนๆผพ้เจ้าสอนยังอยู่เลยยกมือสิทธีจังละเนี่ยแล้วว่าเถียนเนี่ยก็กลายขึ้นหายใจไม่สะดจกเลยผู้เจ้าสอนถึงเอาอุ้มือวางไว้ลเอาศอกเที่มจิกจกร้องคร้อมๆกันเจ้าสอนเลยนะเขาด่าหลวงพ่อออกมสียงหนอเลยเสร็จแล้วหลวงพ่อไปเลยพ่อหพ่อเป็นะไรผมไม่ยอมทําะไนเรื่องกับวิทา์ทั้ง ผมขอไปเลยพ่อออกมากเลยจังงั้นจังั้นก็เลยไม่ได้สอนนกักเรียนเลยจะกลับไม่ถูกสายสชนมาเฉีนจะม่หนีไปไหนนะแต่แล้วมีคนทดสอบตลกคนภาษาอังกษนี่ทให้เรามีสติว่างมปขึ้นาอ๋อหลวงพ่อตีเด็กเด็กมืองววิธีทีเด็กหลวงพ่อตีอยังไงเามีเอานือไปวางที่หลังเดีกบางเสร็จแล้พวพอก็เอามือีดูนะนข้าใหม่น มือมบาันเด็กบมงหังบางหลังเด็กก็ที่อย่างเงี้ยดังเข้าไหนไปดังรวดทั้งวัดเลยทีนี้โยมคนหนึ่งที่อยู่ที่มาทั้งีฝห้น่ะลูกเรียนเตรีปริญญาตรีอายุยีบหปีเล่นต่อินเทอร์เน็ตเล่นแต่คอมพิวเตอร์งานก็ไม่ทำไม่หางานทำเสร็จแล้พ่อเม่มาบอกช่วยทางานมันบอกพ่อมีงูพ่อมเส้มันได้ดีเพราะคอมพิวเตอร์งูเนี่ยพ่อกุ้มใจแล้วพ่อกำลังเกบอารมณ์น่ เขามาหาพ่อลวกผมมันว่าพ่อแม่เซพ่อแม่ม ร, รู้ที่ท่านไม่รู้เลยพ่อไม่คงค่าใก้กค่าน้าค่าไฟค่าซักเสื้อผ้าทุกอย่างก็ไม่หายหมดเลยนี่นจบปริญญาตแล้วยังไม่เข้าสังารงานทำเลยยังไม่เคยจะเลี้ยงพ่อเลยแม่ลยแล้วไม่ยากรืมอ่งไปได้ยําำรวจมาไปตารวจมาก็ไล่ออกจากานไปเลยเ พ, พระาะบรรลุดิสภาวะเล้วยอายุจังยีสิบห้าจะปริญญาตรีแล้วไ ง, งนีกว่าพ่อแม่เซื่อพ่อแม่งู้ง้อตุนยังไงแต่แล้วท่านมันเถียงทุกอย่า มันเฉบอมมาถือฉากเเนี่ยฉากเี้ยนีตีปากให้สันหักไปเลยไหมซัดปากให้ฟันหักไปี้งไปเลยตนะ้อยไปเลยเลยไม่ไยทำไม่ได้ยางไงก็ลูกของเราเขาหมดลยนะอ่าขอแม่เอปลูกกล้วยปลูกข้าวให้ลูกกินอยู่นะแ่ทั้งแม่ทั้งพ่อลูกไม่ทำอะไรเลยอือทีนี้ไอ้คนหนึ่งมันไปทาขอพปเตอร์ใลูลใลกมันิบว่ากพ่อด่ามันทาเขาสียบมันวดเขามาเลยดูยัูพ่อดีเนี่ยลกพ่อ ไม่ใช่ท่านด่าเด็กดูเด็กตีเด็กเขียนด้านบ้านลงเล้นะม่ได้เอาใหม่เงก็ อ, ไ, อ, อ, อกไม่ได้ซอาหมู้าหลังเด็กแล้วเอาเวจีมันเขา้าอหเป็นผ้าด้วยตาหลังๆก็อยงีนี่ไม่ใช่ผ้าเลยเนี่ยไม่ใช่ผ้าก็หมาผีสิล้วน เ, เป็นอื่นที่แล้วก็เกลียหโกรธม่รูว่าด่ายี่สิบครั้งวันนี้นะแต่ครั้งนี้มันไม่โกรธด้ไม่โกรธนะอารมณ์มันไม่กเกิดขึ้นมาเออสายน้ำประเสมันดีม ก, กนเนนะี่ มันสอนได้หรอแสดงิตเรูทันเลยนะคนดวนคนไหนคนหนึ่งมันนั่นก็หนามวิตสตอรรูทันทั้นนี้ยังไม่โกรธท่านด่าสัน20ครั้งอาจจะโกรธก็ได้เลยดึงเนนี้ยี่สิครั้งโกรธก็ได้เลยนะตอนนั้นวพ่อกรทักเขาเรื่อยทักก่อนเขามาเ็ไม่อยากจะทักหลวงพ่อหลวเรียกอาจารย์คราเป็นพระแล้วก็บวชเป็นอาจารย์เป็นครูโรงเรียนตีเด็ดนักเรียนแล้วเขาไล่ออกจากโรงเรียนตีเกินไปตีเกินขนาดเขาไล่ออกจากครูเลย ม้องมาบวดสามาถยนมาเสึกิ่นัมาต้องเออหนุ่พ่อตีเด็กเข้าไปพอดีมันก็ประทบอารมณ์อารมณ์เก่าของเขาพอดีพุ่งขึ้นมาเลยหาวาพ่อด่าว่าคนคนคนเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเลยต่างๆเนี่ยมันว่าเป็นคนฉลาดไปหาว่าพ่อแม่โง่โง่ต่อตุนทั้งทั้งที่หาเงินหาสองหาเก้าหาของเสืมตัวเองจบจบปัญญาตีขึ้นมาเนออันนี้ก็วบาทีนี้ไอ้ที่ลพประสบงานจริงๆนะคนที่สอนเด็กโปรเจคเตอร์เนี่ยเด็กมันออกนอกหมดเลย จิตมันออกนอกหมนไม่เห็นมายุ่นป่าวแต่โปรเจคเตอร์จริงๆก็คือมือเราใจเราสติเราเนี่ยตัวที่คอมพิวเตอร์จริงๆเลยมันสามารถที่จะละกิเลสได้ไม่เห็นใจตัวเองเพรอเราเห็นภายนอกนกจ๊ะเอาคนลุกกันมั่งเอาคนขีจากอายานขี่มดสตอขึ้นสาไฟฟ้ามาให้ดูเด็กก็ฮ่าฮ่ออกนอกหมดเลยเข้าใจไหมจิตออกนอกหมดเลยสู้ไม่ต้องใช้โปรเจคเตอร์ไม่ต้องใช้อะ ใช้ตัวร่างกายนี่เนี่ยพาเดินพาจงกรมเข้าเน่ยเราก็เทียงกันอยู่ดีทำให้ดูเื่นขก่อ น, นอนเฉียหลังเนี่ยนะเสร็จแล้วยกมือเดิจงกรมไปดูคำบอกว่าเราไม่เวินก็ได้ยกมือแล้วไปทําก็ได้แต่เราเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ขยันเป็นตัวอย่างที่อดทนเป็นตัวอย่างที่นั่นให้เขาดูเนี่ยทำด้วยอย่างนี้นั่นท่านเอพูดมาเลยมีความรู้สึกตื่นไหมเนี่ยฟังเอาก็ไม่ได้เลยจาเอาไม่ได้นความรู้สึกต้องไปทำเอาเนี่ย บอย่างนี้าความรู้สึกรู้สึกไปเดียวมันจะรู้อารมณ์ผิดปกติเองแล้วมันจะจัดอรมณ์รูปกรุนได้เองเราเชื่อเพราะข้อมารยาเป็นประกันแล้วจะเป็นตั้งประโยคเนือความรู้สึกตัวนี่เป็นขั้นต้นเห็นการดับทุกข์เป็นขั้นกลางเห็นคนดับทุกข์และเป็นขั้นจดท้าเห็นความดับทุกข์มักมีองค์แปดดอนที่สติตัวรู้ตัวเห็นตัวรู้ตัวเห็นเนี่ยก็เรื่อภาษาไทยมีสามคำอะไเรียกว่าตัดสรู้กัดสรู้เจริญรู้ ไปอกรู้แจ้งรู้แจ้งอารมณ์ไปเลยตัวรู้แจ้งรู้เจนรู้ชัดแล้วมันจะประัดอความคิดเองประจัดตัวโลกรเองก็จะรู้แจ้งรู้ชัดมันจะประจัดตัวนั้นเองที่รมันทาหน้าที่โลกรธรมมันเปลี่ยนหน้าชีเป็นคู้ดูผู้ดูเน่ยมันเปลี่ยนปั๊บทันทีเปลี่ยนป้ดจิตมันทํหนาทีอารมณ์นาทีแล้อารมณ์มันมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยกลับไปไหวแล้วพอเสียงแล้วโกรธไม่โกรธเหรอโกรธไม่โกรธก็คือเห็นตัวไปเห็น ไปเห็นจะแจ้งแนหะความโกรธมัน็หายไปเองนะที่ท่้นพูดโกรธไม่โกรธเนี่ยเป็นคาพูดเป็นคา พ, พูดในฟัง่งที่เฉลยแต่เมื่อไอตัวรู้ที่มันห้องแคบบางใบแข็งแรงนั่นแนะมันจะไปจัดอารมณ์เองอมันจะข้าอารมณ์เองนะเราจะมาฝึกเนยะสอนตรงที่สุดหยูประเทยเยนี่สอนตรงที่สุดนะู้ในปัจจุบันขณะดเียนี้เดี๋ยวนี้ขนานี้เลยจะไปหลอบพวกนี้บรนี้สิ่งที่มันเค็ดเนนะื้อลงเอารู้หรือเดกลืมก็รู้ไปลืมล้วขี้เกียจก็รู้ขี้เกียจแล้วพูชนเฉียวเราะอก็เียพูดเลยหนึ่ง แล้วโกรธเขาทำไมล้วโกรธขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณเลยขอบคุณว่าเขามาเทศให้ดูการเทศเขาก็ไม่เอาเขาจูเทศแบบตัวเราเด็กมีกี่เด็กมีความโกรธอยู่ไหมถ้าหากว่าไม่มีกีเด็กจะกระทบใจเด็กตัวเราก็มีพันธุผ่านไป็นอารมณ์แล้จะเป็นมระดกเลยนั่ไม่ต้องจีบกันเทศเป็นเสียการเทศที่ไหนเลยใช่ไหยอ่าขอบคุณเลยนะเปี่ใหม่ตัวนี้แท่งกบาคนชอบแช่งเขาดสมองม้าตัญญาควายชอบฟ้าเขได้ควาย ทีจริงยคนบ้าเเป็นสมองหมาเป็นญาคนลก่อก่อนคนถูกว่าแล้ว่จงเนะี่ยยังขยัาหลวงพ่อเราหลวง พ, พ่อไม่กราหลวงพ่อไม่พาะถ้าคนด่ากดคนด่าเป็นหมาคนเดียวถด่าก็กรธคนถูกด่าก็กด ก, ก็กด็กเป็นห ม, มาหมาสองตัวเหมาสองตเล้ทีนะ่งยหมาชี้โกรี้กดธี้ขีขดา่าขดส อ, อตัวถ้าหลวงพ่อไม่กรคนถูกด่กาไม่กดคนนั้นเป็นผาแล้วทีงนะเนี๋ยวงก็เหมือนกันใครดา่าใครนินทาว่าไรรู้แล้วเฉยไม่โกรธนะเป็นผาแล้ว ใจกานเละกเดดี่เหนือกี่เด็ุนอารมณ์เราเข้าใจไมถ้าอ่างหนจงเวใจก็เป็นผีสัตว์โกไปเอาสุนการไปทำเรื่องตเราไปเนต่าไม่ดีต่ทุ่งเงินเวพเทีมหลวพ่อคานี้หลวงพ่อก็ฟังมาจากเทปเลยมาว่าจากเทปหลวงพ่อเทีมแล้วโอ้หลวงเทียน่พูดได้แจงแจ้งแก่เสร็แล้วโคตรทำไมชั่วหรือดีมันอยู่ที่เราก็ะําไม่ใช่อยู่ที่คนด่าคนว่าว่า คนด่าคนฟามันใจมันชั่วหรมันตึงเพ่งงจับผิดเพ่งโทษคนอื่นนะใจมันชั่ว้ด้มันดูไม่ดีูลวกันมันจะพูดแตเรื่องชั่วชั่วคน่งดีๆเามีทำไมไม่จับมาพูดหวังเลยนะถ้าใจมันดีมันเอาเรื่องดีมาพูดเถใจมันชั่วมันเอาเรื่องชั่วคอ่มาพูดอเนี่ก็้ก็ดูใจเราสิเนี่ยใจาชั่วไหม้ใจเราดีก็มาสังคมจะแง่ดีนะคนขี้เกียจก็ ขยันคนคหมือ่โอ้อาจารย์เร่ออาจารย์ให่เราจะไมกดหมือเขาเรจะไม่ขี้เกียจเหมือนเขาเ่นี่คนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแก่ตอนโอ้คนนี้กับเราจะไม่เห็นแก่ตัวการก็รู้มาทำใจก็ไม่นามาทำอาจารย์หลวพ่อสอนปากยันลุอปากสมมติใจป่ เ, เห็นคนเดินมาปับ๊บเลยแ้วจะมาจะพูดขึ้นมาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุลูกคุณห ล, ลานคุณเห่นอะไรนันในทจะพูดไปตามสมมติแต่ปต่ใจวลูกทำนามทำอันนี้ทำทุกขังอนัตตา นามะรูตังอาจารย์นามะรูตังทุกขันนามะรูตังอันสาเอาคำสวัสดที่อาจารย์พูดกว่าสกเทชมาอนุตาเออคนที่เดินมาในชีวิต้นใชีตก็อันตตาไม่ใจตัวไม่ใจตัวด้วยเป็นสภาระตามธรรมชาติเทานั้นนะพระบคลาณะแสดงได้ดีขอพอกุเจ้าฟังทำเรื่องอะไรด้วยไ้มตัดสิปอาหารเนี้ยงทาน่างกายเป็นท่านดินของแข็งท่านดินของแข็งท่านน้าท่านลมที่ไปท่านดินี่ก็เรียกเอิร์ดเอลเมนหรือว่าอะไร Solid e l e m e n นต์ท่าน้ำบอเตอร์อิเลเแล้วก็ลิควิด e ิ e ลเมนต์ท่ลมกับแอร์อิเลเมนต์บี e อ e เลเมต์่านไฟกร Heat e l e m e n t ต์ไฟ e ิเลเมนที่ของบ้างสัญญาการก็แต่คียอัมอิเลเมนหรือ s p a c e ิเลเมนตจทีงนี้บินญาณธาตุกับ c อ n เซ็นทร์อิเลหรือว่านอรเรอะไรก็อะไรก็เรียกว่า Element ต f ขอนอรเรดนั้นารู้เรืแค่นั้นเองเลยไม่ใช่ถัดบุคคลตัวเราเขาที่ไหนเลยแต่ท้านรู้เหมือนโง่มันก็ไปยึดเอาท่านดินท่านน้ำท่าลมท่าไป ผมคนได็ดฟันหนังแล้วก็ตัวกายวิสนาสัญญาสังขารขันหะผู้ฆ่าหรือไม่เป็นตัวตนเมืองทีนี้ไปยึตเอาไม่แล้วแก่ก็ตัวตนแก่ตัวตนเจ็บตัวตนตายแลยึตเอาอาการธรรมะที่เราพบเเขียนพูดมาเป็นตัวตนที่คือคนโง่นะจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาไปยึตเอามาเป็นตัวตนที่หมดที่จริงว่างจากตัวตนเลยนะเมื่อเชว์มงคตัวตนเราเขาที่ไหนน่นนะเป็นธรามชาติตามธรรมชาติเท่านั้นนี้ก็ใจพวกนี้ถาดเลยถาดล รูปชาตินามชาติอ่รูปรูปชาตินามชาติเดินมีชจิตปัญญารูปชาตินามชาตินั้นก็คนทุกข์รูปชาตินามชาติเดินลูกก็มีชัิตปัญญารูปชาตินั้นก็ทุกต่อไปอย่าไปที่เวลาพูดกับคนนั้นคนนี้นะเขาพูดตามสมมติแบบนี้เวลาภาษาพูดพูดตามสมมติแต่ภาษาใจภาษาปัญญาภาษาสัมมาให้พูดเป็นประมาทไปเห็นขมปั๊บเดินไปไปอย่าไปบอกคนนั้นคนนี้ยังไงมอ๋อมันลูบลูปลูบผ่านไปรูปน้าผ่านไปรูปน้าผ่านมา านามะรูปังอันนี้จำนามะรูปังทุกขังงนนามะเตืเอเนเตือนความตางเติอนปริยัติเตือนเาไม้ เ, เอาสติสังรปัจเจริยเข้าไว้เตือนความปล่อยวางเตือนความ<อ>าให้ไปรู้ปานมัรมเข้าไว้เนี่ยตรงนีษษ้สต Mun ินอกจากคําความรู้สึกตัวแล้วก็ต้องเตือนด้วยเตือนคําพูดด้วยเอคาคาพูดที่เป็นเป็นสมุดนะคําพูดที่เป็นปานธรรนะความคิดที่เป็นป า, านธรรมนายให้แยกออกด้วยเนีรู้น้ําคนที่รู้รู้น้าก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจรู้สึกเนี่ยรู้รู้น้ำเนี่ยแต่มัน รู้ชี่นี่นี่แต่มันไม่รู้เฉยเฉยถ้ารู้ปกติใจไม่โลภไม่โกรธมัรู้ซื่อๆรู้เฉยๆมันรู้ทั้งรูปทั้งนามถี่นะถ้ามันมันจะชัดชัดชัใจก่อนสเดวมันมันนชัดที่นามใจซื่อๆเลถ้ามันเห็นไอ้กางกายเนี่ยมันร้อนมันหนักมันเบาเคลื่อนไปเหยียบพื้นมันเย็นมันเรียบอะไรกันมา้ก็รู้รู้รูนอชัดที่รู้เนี่ยรูชัดที่รู้ก็ซื่อๆเฉยเฉเปล่าๆไม่ต้องจรไม่ต้องย่หลายไม่ต้องรักไม่ต้องชังแต่ใจ รู้ว่าว่างรู้เปล่าเปล่ารู้เฉยเฉรู้ปกติน่ะรู้ไม่ไม่สิไม่ชมไม่สรรเสริญนสับตัวรู้เดียวนั้นกําลังเข้าถึงเนื้อกำลังเข้าถึงหรือเข้าถึงปณิธานปนิพานชั่วขณะอะไรกัะจากที่อาจารย์โน้เทศพนันหนักบอกว่ารู้ทุกจะรู้เห็นได้กับทุกด้วงรู้ใ่โลกดวรู้มากดวงนี้ตัวเดียวมันไปตรงกับทุกข์จ้าทุกสัตว์เลยรู้ทุกเห็นทุกครับแต่เนี่ยตัวเห็นทุกเนี่ยมันจะทุกมันเกิดจากอะไร มันจะรู้ทีนี้ในขณะที่เห็นทุกนะใจมันก็ไม่ทุกเลยใชไมการที่เขาไปเห็นนั่นก็คือตัวมรรควิธีทำนี่เองนั่นมันรวมกับลวงพ่อเชียนเปะร้ยเปอร์เซ็นต์เู้สึกซื่ตัวนีเห็นตัวเดียวเห็นทุกตัวเดียวมันจะเห็นเห็นในกระทุกเห็นในโรกเลยแล้วก็เห็นความดับเห็นวิธีดับพุ่งอยู่ในตัวเช็จกบลอยเห็นมรรคเห็นมรรคมีองค์แปมารวมอยู่ที่ความรู้สึกตัวเนี่ยเห็นอริยสัจสี่มารวมอยู่ที่ความรู้สึกตัวเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นปัจัจเง สัพเพสัมมาอนตานะไปร่วมอยู่ที่นี่หมดแล้วเป็นธรรมะมทนนะั้งหมดไม่ใชอะธรรมะมงๆทุกต่อไปธรรมะที่มีสติปัญญาธรรมะนั้นก็พ้นทุกข์ต่อไปเอวังก็มีรปประกาศะะด้วเจเนยโยไม่ต้องตายยิ่งทำแต่เพุกได้กันทุกทัางเตือนนะทุก